เสียงหนังสือเรื่องจิตคือพุทธโดยพระราชวุฒาจารย์หลวงปูดูลอตโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จิตคือพุทธคำนำ การพิมพ์หนังสือจิตคือพุท ธ, ธะของหลวงปู่ดูลัตตุโลฉบับนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพิสูจน์อักษรหนังสืออตุโลไม่มีใดเทียมฉบับพิมพ์ครั้งที่6ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติปฏิปทาและพระธรรมคำสอนของพระราชวุทธธาจารย์หลวงปู่ดูลัตตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ คณะทำ ง, งานได้ร่วมกันพิสูจน์อักษรในส่วนของคำสอนเรื่องจิตคือพุท ธ, ธโดยเทียบเคียงเนื้อหาเดิมในหนังสือกับเสียงเทศของหลวงปู่ดูลชนิดคำต่อคำและได้แก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นจึงได้นำคำสอนเรื่องนี้มาจาัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานสำหรับท่านที่ได้เคยอ่านหนังสือเรื่อง คำสอนของฮวงโปเมื่อมาอ่านหนังสือเล่ม น, นี้อาจเกิดความสงสัยขึ้นว่าเหตุใดคำสอนของหลวงปู่จึงมีส่วนคล้ายคลึงกับคำสอนของฮวงโปมากคำถามนี้สิทธิของหลวงปู่ดูลท่านหนึ่งได้ให้คำตอบไปว่าหลวงปู่ท่านยืมถ้อยคำของท่านฮวงโปมาใช้เรื่องนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระราชาวัรคุณเป็นผู้นำหนังสือคำสอนของฮวงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่าท่านฮวงโปบัญญัติถ้อยคําไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาสก็แปลไว้ดีแล้วด้วยจึงนำมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบ มาในชั้นหลังนี้ได้ทราบว่ามีผู้ตําหนิท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือ น, นําหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือจิตคือพุท ธ, ธความจริงหลวงปู่ไม่เคยเขียนหนังสือธรรมะและไม่เคยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมีแต่กล่าวธรรมให้ผู้สนใจฟังอย่างไม่มีรูปแบบครั้งละไม่กี่คนเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ หรือได้รับผลประโยชน์อะไรเพียงต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธก็เป็นเรื่องที่ผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่จัดทำกันเองในชั้นหลังหากจะมีความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหนังสือแปลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็เกิดจากความไม่รู้ของผู้มีความศรัทธาในการจัดพิมพ์ส่วนองค์หลวงปู่ มีเพียงความเมตตาที่จะนาธรรมะที่ท่านเห็นว่าถูกต้องดีแล้วและสอดคล้องกับธรรมที่ท่านรู้เห็นมาด้วยการปฏิบัติมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเท่านั้นเองคณะผู้จัดธรรมใคร่กราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านที่สนับสนุนให้การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงด้วยดีหากหนังสือเล่มนี้จะสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนา ก็ขอน้อมถวายอานิสงเหล่านั้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์หลวงปู่ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีจิตผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปหากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำรรขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งปวงที่เกิดขึ้นคณะผู้จัดทำรร ม, มีนาคม 2,549 สังเขปประวัติหลวงปูดูนอาตุโล นับเป็นสิทธิ์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจาร ย, าย์ใหญ่ฝ่ายอรัญยวาศีในยุคปัจจุบันพระเถระที่เป็นสหธรรมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ดูลได้แก่หลวงปู่สิงขันตยาขมูวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโย วัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดูลท่านจึงมีสิทธิสาคัญสคัญหลายองค์สิทธิรุ่นแรกๆ ก, ก็มีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลวงปู่อ่อนยานสิริ วัดป่านิคโครทารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามอากินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์และพระเทพสุธาจางหรือหลวงปู่โชตกุณสัมปันโนวัดวชิราลงกรอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสิทธิอาวุโสของหลวงปู่ดูลได้แก่ พระวิสุทธิธรรมรังสีหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์พระชินวงศสาจา์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัตสุวโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและกระราชวรคุณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้น ปูดูนอาตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้ำลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนามากกว่าการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้าไปกราบนมัสการและขอฟังธรรมะหลวงปู่มักจะให้ธรรมะสั้นๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้นเสมอท่านจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดยจะย้ำให้เราพิจารณาจิตในจิต อยู่เสมอหลวงปู่ดูลัตุโลกเกิดปีชวดวันที่สตุลาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านปราศาสตตำบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลเกษมสิน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 พำนักอยู่ที่วัดสุดทธัศนารามเพื่อเรียนประยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วเรียนบาลีวยากรต่อถึงแปลมูลกัะจายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิง์ขันตยาขมูซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต แต่รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทำการเผยแพร่ธรรมะในสายพุทโธจนแพร่หลายมาตราเท่าทุกวันนี้ในปีที่สองที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทุดงมาพำนักอยู่ณวัดบุรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิง สองสหายผู้ใคร่ทมได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านประยะิยัติธรรมแล้วออกธุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูล เที่ยวตุดงหาความวิเวกตามป่าเขานานถึงสิบเก้าปีจึงได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ให้หลวงปู่เดินทางไปประจำอยู่จังหวัด ส, สุรินทร์เพื่อจัดการศึกษาด้านปรยิยติธรรมและเผยแผ่ข้อปฏิบัติทางกรร ม, มฐานไปด้วยกันหลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่ที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัด ส, สุรินทร์ มาตั้งแต่พุทธศักราช 2,477 จวบจนบั้นปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงแห่งรัศมีของพระธรรมทั้งทางปริยัตและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุ่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับผาระทั้งฝ่ายคันธุรัตและวิปัสนาธุรัตบริหารงานพระาศาสนาอย่างเต็มกาลังสามารถ ในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจทุดงบังเพนเพียนทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบันพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยสงเคราะหบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ปู้มีสุขภาพอนาัยดีเป็นเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบสงเงียมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใจหลวงปู่ดูลอตุโลพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐ ได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช 2,526 ศรสิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑ์กัรมฐานในบริเวณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์